ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิลัยสีประทุกมกำลังนำเสนอประสูตรที่เรียกว่าสติปัฏฐานสูตรในมัจิเมกายมูนาปนนาฏในช่วงที่เป็นพระพุทธลํมรัตซึ่งพระพุทธเจ้าได้สั่แก่ปิสูตรทั้งหลาย พอได้แสดงมาถึงกายเวทนาจิตวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องธรรมะธรรมะในความหมายที่นี้ก็หมายทั้งกุศลธรมธรมอกุศลธรรมและอัปยากตธรรมแล้วก็ไปสรุปรวมอยู่ที่อริยสัจทั้งสี่ประการไปเรียงตามลำดับนะฮะทุกสมุทัยนิโรธมาก ธรรมะข้อแรกเป็นอกุศลก็คือนิวรธรรมการที่เน้นนิวรธรรมเพราะว่าการเจริญสมถะนั้นต้องการให้จิตใจสงบจากนิวรทั้งห้าประการการ อ, อุบายวิธีที่จะทำให้นิวรทั้งห้าประการสงบประงับลงก็จึงมีหลายวิธีด้วยกัน รับสั่งแสดงว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่อย่างไรแล้วภิกษุในธรรมปีนัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณห้าอย่างไรแล้วภิกษุนิธรรมปีใ น, ใ น, นัยนี้เมื่อกามฉันมีอยู่นาภายในจิตย่อมรู้ชัดว่า กรมฉันมีอยู่ในาภายในจิตของเรานี้ในช่วงแรกคือถ้าหากว่าดูจิตในขณะนั้นหากว่ามีกรรมฉันนิวรณ์ปรากฏอยู่ก็ให้รู้ชัดตามความเป็นจริงในแง่ที่เป็นโทษเพราะว่าถูกกรรมฉันนิวนรณ์ครอบรมก็มองให้เห็นโทษชัดเจน จากนั้นแล้วก็มองต่อไปว่าหรือเมื่อกามฉันไม่มีอยู่ณภายในจิตยอมรู้ชัดว่ากามฉันไม่อยู่ภายในจิตของเราคืออย่างที่บอกไว้ในข้อจิตนั่นแหละ คือการที่การมมาฌานไม่มีอยู่อาจจะมีนิวรข้ออื่นอยู่ก็ได้แต่ว่าคือองค์ธรรมที่ทรงแสดงแล้วก็เรียบเรียงเอาไว้เนี่ยมันเรียบเรียงไว้โดยประยายนแต่เวลาเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลมันก็เกิดขึ้นโดยวิธีหนึ่งคือหมายความว่าจิตใครสะสมอะไรไว้มากความคิดเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลเหล่านั้นมาก และการสำคัญก็ก็ดูกรรมชันนิวร์เกิดหรือไม่เกิดทันทีถ้ากรรมชันนิวร์เกิดก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่ากรรมชันนิวรเกิดถ้ากรรมฉันนิวร์ไม่เกิดก็รู้เห็นตามความเป็นจริงว่ากรรมฉันนิวร์ไม่เกิดหรือไม่มีอยู่ในภายในจิต ที่อันเดิกามการมฉันที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นเหตุเกิดของการมฉันนี่ที่จริงมีมากแต่ว่าตัวการใหญ่จริงๆก็อยู่ที่ก็เรียกว่าสุภาสัญญาหรือสุภาษณิมิต เกิดขึ้นจากจิตที่มีกามาธาตุคือเชื่อความใคร่อยู่ไปในจิตของคนแต่ละคนแต่่าเชื่อความใคร่มันดับไปอาการของการมฉันนิวรมันก็ไม่เกิดหรอกแต่ว่าเมื่อมีการมาฉันทะมันก็มีความดำริมีความคิดมีการปรุงแต่งกันด้วยประการต่างต่างและในที่สุดมันก็เกิดการมาฉันขึ้น ลำดีอย่างไรดลำดีว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องหรืออารมณ์ที่น่าเหนียวเนึ้อหน้าตึกนึกถ้าเจ็บจะตัดจิตไปกรรําหนดอย่างนี้กา ร, รมาฉันนิวรณ์ที่ยังไม่เกิดก็ย่อมจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นทีนี้ในขณะเดียวกันกา ร, รมาฉันนิวรณ์เนี่ย ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วแต่ก่อนมันยังไม่เกิดถ้าเกิดขึ้นจะสามารถสงบประงับไปโดยวิธีใดรอให้รู้วิธีนั้นในข้อนี้จะยกตัวอย่างมาสองแนวแนวหนึ่งก็คือแนวหลักแม่บท มันเกิดมาจากจิต ท, ที่กำหนดอารมณ์ว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน้าพอใจวันถ้าต้องการให้สงบก็ไม่ปรุงอย่างนั้นนะ่ะปรุงด้วยอสุภสัญญาหรืออสุภนิมิตกำหนดได้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสปุถุพธรรมารมณ์นั้นไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจ พยาามมองในจุดที่เป็นความจริงของรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ธรมรมารวมเรานั้นอันเป็นที่รวมของสิ่งปฏิกูลด้วยประการตา่างๆเราก็รู้เราก็เห็นกันอยู่ร่างกายเราวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยต้องทำความสะอาดํำารสาสะสาดกันโดวยวิธีการตา่างๆเพื่อให้รู้สึกว่ามันดูดีขึ้น เราล่าเมนไม่ชำระสะสางร่างกายไม่ได้กินเวลาวันวันหนึ่งนี่หลายครั้งด้วยกันอย่างน้อย ก, ก็สองสามครั้งแหละครั้งเดียวเนี่ยไม่อยู่แต่ถ้าให้ดีนี่ก็เรียกว่าเช้าก็เย็นแล้วกลางวันนอยสัสามครั้งหนึ่งพอมันเทากินลงไปได้ และที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือก่อนนอนนั้นก็ต้อ ง, ต, องต้องชำระสสารร่างกายแน่นอนเหมือนก็ตื่นนอนตื่นนอนก็ต้องชํ า, า, าระร่างกายอันนี้เรียกว่าเป็นแนวตรงๆแนวหนึ่งเป็นแนวที่ท่านแสดงไว้ในอัตถกถาปปัตจะสูทนีอัตถกถามาทิมานิกายนี่แหละ เป็นการปฏิบัติโดยไม่จำกัดอิริยาบถแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความคิดความนึกคิดของเราการสะสมประสบการณ์ในชีวิตประจำวันแล้วก็พยายามเรียนรู้ทำความเข้าใจกับพวกโทษของกา ร, รมชาญเหล่านั้นประการแรกเรียนนิมิตในอสุภกรรมฐาน คือจิตใจมันหมกมุ่นบุนวายอยู่กับเรื่องเหล่านี้มากเลยเกินก็พยายามเรียนอารมณ์กรรมฐานที่เรียกว่าสุภกรรมฐานคือพยายามมองให้เห็นเป็นความไม่สวยไม่งามความปฏิกูลของสังขารร่างกายทั้งหลายทั้งของเราของคนอื่นก็เอาที่ของเราก่อนอ่ะของเราดูง่ายกว่าของคนอื่นก็ดูยากกว่า อันนี้ก็อย่างแนวการีอของอะไรล่ะปฏิกูลปร ะ, ระแยกร่างกายออกเป็นส่วนๆเป็นอาการสามสิบสองเป็นธาตุปร ะ, ระหรือแยกร่างกายออกเป็นธาตุสี่แล้วก็รู้ร่างกายที่เป็นซากศพปรากฏทิ้งอยู่ในปาชาในรูปแบบต่างๆ แล้วน้อมเข้ามาหาเราน้อมเราเข้าไปหาศพน้อมศพกข้ามาหาเราเห็นเรากับศพก็เป็นอันเดียวกันเพียงแต่ว่าเรานั้นยังเป็นศพเป็นอยู่แล้วเขาเป็นศพตายไปแล้วแต่วันหนึ่งเราก็ต้องเป็นศพเป็นเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องหมั่นเจริญ อ, อสุภกรรมฐ า, านอยู่บ่อยๆ อาโอกาสไม่มีอะไรก็นั่งภาวนาเกสาโรมาหนาขาดันตาตาโจตาโจดันตาหนาคาโรมาเกสาก็ยังดีภาวนาห้าอย่างก็ดีกว่าตาจัปัญจกกรรมฐานในขณะเดียวกันก็ไม่รับสื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการมราคะมากเกินไปโดยการพยายามสำรวมระวังอินทรีย์ เวลาสัมผัสกับอารมณ์ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นริมรูดกายถูกต้องเย็นรอ้อนนอนแข็งใจเหนียวนึกตึกนึ ก, นกถึงอารมณ์เนี่ยไม่ใส่ใจเสียบ้างไม่ดูเสียบ้างไม่ฟังเสียบ้างไม่ดมเสียบ้างไม่ลิ้มเสียบ้างไม่ชิมเสียบ้างไม่จะต้องเสียบ้างก็ช่วยให้บรรเทากามาราคะในอารมณ์เรานั้นลงไปได้อย่างที่ท่านสอนให้เราคิดเนี่ย คิดถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารมันเถ่ามืดมัวอันธการทำาไมหาหน่ายสะดุ้งไม่ยุ่งใจคือมองในแง่ของความไม่สวยไม่างามแล้วก็อรู้จักประมาณในพัตตาหารเพราะว่าอาหารเนี่ยมันอะไรละ่ะมีรูปมีสีมีกลิ่นมีรสมีสัมผัส แล้วถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารโดยขาดการบัญญัติบัญญัติมุ่งมั่นความอาดิดอร่อยของอาหารเหล่านั้นมากเกินไปในที่จุดสุดในที่สุดมันก็ติดไปรสชาตอาหารเหล่านั้นก็ติดได้ไๆล่ะติดรูปติดเสียงติดกลิน่นติดรสติดสัมผัสติดความรู้สึกผูกพันว่าอาหารนี้อรอ่อยอาหารนี้ไม่อร่อย พอไม่อร่อยก็ไม่พอใจพออร่อยก็พอใจใจมันก็ฟูคู่ขึ้นแพรบลงด้วยความยินดียินได้แล้วเขาผ่ากับการ layan ยยมิตรที่ดีมิตรีมีความโน้มเอียงมิตรีมีแนวความคิดระดับดจิตใจใกล้เคียงกันสามารถสื่อสารกันได้ทาความเข้าใจกันได้แล้วก็ ถึงจุนหนึ่งก็อาจจะช่วยกันให้สติตักเตือนลักษณะของกาญยาณมิตรก็คือมิตรที่มีความรักใคร่มทีที่แนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้มิตรมีจิต ท, ที่คิดอนุเคราะห์มีตรที่พร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้แต่ละอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องใช้ในชีวิตประจําวันแต่ว่า การโยนิโสมณรดำิการด้วยอุบายวิธีให้เห็นว่าเป็นสิ่งไม่สวยไม่งามด้วยอสุภาสัญญาหรือสุภานิมิตนั้นเป็นตัวหลักนี้เป็นตัวเสริมคือเสริมจิตใจแนวความโ่้มเอียงความคิดในในทางนั้นให้มากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นอีกระดับหนึ่งอีกแนวหนึ่งสองแนวนะฮะสองแนว แนวหนึ่งเป็นระดับที่ส่งแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเลยแล้วก็แนวหนึ่งก็ปรากฏในอัตกถาแตที่จริงก็อัตรกระถาอธิบายพระไตรปิฎกนั่นแหละไม่ได้ยิ่งยอนอะไรกันคือไม่ได้ขัดแย้งกันหรอกอัตถาอัตกระถากับพระไตรปิฎกเพียงแต่ว่าอัตกถาเป็นตัวเสริมแล้วก็สอดคล้องกับ หลักความจริงที่ปรากฏอยู่แก่สิ่งเหล่านั้นประการต่อไปพยาบาทนิวรพยาบาทนิวรก็ส่งสอนให้ดูเช่นเดียวกันว่ายามใดที่พยาบาทนิวรบังเกิดขึ้นภายในจิตก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าขณะนี้พยาบาทนิวรได้บังเกิดขึ้นภายในภายในจิตของเราแล้วหรือว่า พยาบาทนิวร์ที่ยังไม่เกิดไม่ได้เกิดขึ้นก็รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าพยาบาทนิวรณ์ไม่เกิดขึ้นทีนี้ในช่วงที่สามเนี่ยพยาบาทนิวร์ที่ยังไม่เกิดเนี่ยเวลามันเกิดมันเกิดขึ้นได้หรือยังไดก็โดยให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในกรณีนั้นนั้นประการที่สี่พยาบาทนิวร์เมื่อเกิดขึ้นแล้ว สามารถสงบแระงับไปโดยวิธีใดก็ให้รู้โดยวิธีนั้นแล้วประการที่สี่เนี่ยพย า, าพยาประการที่5้าเนี่ยพยาบามนิวรณที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ทําให้ดับไปแล้วจะไม่กําเริบขึ้นอีกโดยประการใดก็ต้องรู้โดยประการนั้นอันนี้ก็หมายความว่าเป็นเรื่องขณะนั้นๆระดับหนึ่งมีพยาบาทนิวรณมันเกิดขึ้นก็พยายามสงบ ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าพยาบาทนิโวดเกิดขึ enfin see, ้นถ no. ้ามันเกิดขึ้นก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่เกิดขึ้นทีนี้ในกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ก่อนไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้โดยวิธีใดทีนี้ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะละได้โดยวิธีใดละไปแล้วจะไม่เกิดได้อีกโดยวิธีใด แล้วก็ที่ลาบไปแล้วไม่เกิดโดยเด็ดขาดอีกนี่โดยวิธีใดเพราะฉะมันก็เหมือนกับข้อแรกก็คือกามาชันกามาชันโดยจะเห็นว่าการใช้วิธีต่างๆดังที่กล่าวแล้วในปะปัญเจสุทนีก็ดีในสติปัฏฐานสูตรตามพระบาลีพุทธวัจนาก็ดีก็เป็นเรื่องที่ว่ากันในอิรยาบด ท, ทั้งหลาย การใหญ่ก็อยู่ที่ความคิดอยู่ที่จิตใจของเราที่จะเนียวนึกึกนึกให้สมเหตุสมผลถูกต้องตามควรแก่กรณีนั้นๆในกรณีที่สองนั้นมันเป็นการล ะ, ระเราก็เรียกว่าวิคัมปนาปาหารคือละได้โดยการกดทับเอาไว้ไม่ใช่ละได้เด็ดขาดจริงๆหรอกละได้เด็ดขาดนั้นยังทําไม่ได้ ระดับที่สามก็คือ ล, ละไดขาดไม่กําเริบขึ้นมาอีกการมชจานิวอร์เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่คือชั้นประนีตเนี่ยมันต้องระดับพระราหะแต่ว่าชั้นที่รองลงมาคืออารมณ์โดวทั่วไปรูปเสียงกลิ่นรสโปรตพาธรรมอารมณ์ที่น่าคราน่าปรารถนาน่าพอใจโดวทั่วไปเนี่ย ระดับพระนาคามีลาได้ท่านเรียกว่าการมราคาแต่ทีนี้ถ้ามันเลยไปจะถึงรู ป, ปราคาอรู ป, ปราคาซึ่งพอใจติดใจสยบติดกำหนัดเพลิดเพลิอนอยู่ในรูปปานรูปปัจานเนี่ยมันเปนอีกเรื่องหนึ่งละมันกลายเป็นต้องระดับอรหัตธรรมจิงลาได้เป็นสังโยี่ละเอียด ทีนี้ในความเป็นพยาบาทนั่นแหละในชีวิตประจำวันของเราทำยังไงจะลอดได้ประการแรกก็คือให้พยายามเจริญเมตตาภาวนาจินว่าเจริญเมตตาตามแนวของพรมิหารนะสัตว์ทั้งหลายตั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุทราลากัน ให้แต่ละชีวิตยอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนมีโอกาสเมื่อไหรก็จะเริญเมื่อ น, นั้นก่อนจะนอนก็พยายามภาวนาทั้งหลายทั้งปวงจงไม่เป็นภูมไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประัสสาวะกันให้แต่ละชีวิตยอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนก็พยายามไปเรื ทีนี้ในการเจริญเนี่ยมันไม่ได้เป็นตามที่เราอยากให้เป็นเสมอไปหรอกสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของเขาที่เขาได้กระทําเอาไว้เพราะฉะนันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเจริญเมตตาไม่ได้เจริญกรุณาไม่ได้เจริญมุติตาไม่ได้ก็ทําใจประกอบด้วยอุเบกขาก็ถือว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งพวกนั้นเป็นผู้ที่ มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นปาอพันมีกรรมเป็นทีพึ่งอาศัยใครทำกรรมอนไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นประการที่สี่นมันเพ่งพิจารณาพิจารณาหลักของเมตตาพิจารณาถึงหลักของกรรมเนี่ย แล้วพิจารณาถึงเรื่องราวข่าวคร า, าวต่างๆที่เราอ่านเราได้เห็นได้ยินได้ฟังที่จริงมันก็สอนสัจธรรมสอนความจริงที่เป็นจริงในชีวิตของมนุษย์ให้มนุษย์ยอมรับนับถือแล้วเข้าใจความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นเองแล้วก็กัลยาณมิตรก็หาสมาคงมากัลยาณมิตรคือมิตที่มีความรักใคร่มิตที่แนะนําประโยชน์ให้มัดมิตร มีจิตคิดอนุเคราะห์มีที่ร่วมทุกร่วมสุขกันได้เวลาสื่อสารติดต่อพูดคุยสนทนาสั่งสรรอะไรกับใครกับตาจะพยายามจะต้องพยายามกล่าวถ้อยคำที่เป็นที่สบายของกันและกันหมายความว่าไม่กระตุ้นโทสะซึ่งกันและกัน อันนี้เป็นแนวของปปัญยสุทณีแต่ทีนี้ในแนวที่เป็นหลักของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเอาไว้เนี่ยก็คือให้เจริญเมตตาก็เรียกว่าเมตตาภาวนากระทาบําเพ็ญให้เมตตาบังเกิดขึ้นภายในจิต รู้สึกต่อสรรพชีวิตด้วยเมตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อสัตว์เหล่านั้นปรารถนาการอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุสลายกันและขอให้แต่ละชีวิตนั้นอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนทีนี้พยาบาทเนี่ยอาการละได้ ในระดับทั่วๆไปรับสินธรรมจัญญาก็ชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธชนะความชั่วด้วยความดีและก็สามารถที่จะรักษาคุณภาพของเมตตาไปได้ระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของการเจริญสมาธิ ทำกรรมฐานแล้วก็พยาบาทมันก็สงบลงไปด้วยความปีติคือทำใจให้มีปีติอยู่พยาบาทมันก็สงบแต่ไม่ใ่หมดนะฮะไม่ใ่หมดเพียงแต่ว่าสงบลงไปได้อีกระดับหนึ่งเป็นการตัดขาดพยาบาทด้วยฌานไม่ใช่ด้วยญาณ โดยยาเนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าตัดขาดได้จริงๆก็ต้องเป็นพระยาบุคคลระดับพระอนาคามีนี่ก็เรียกว่าตัดได้ขาดเพราะรุปคำตอบนี่ก็ต้องตอบได้โดยปริยัตินี่ตอบไปได้ประกอนกับอกันปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องผลซึ่งเกิดขึ้นจากการศึกษาการปฏิบัติการการสัมผัสผล เป็นปัจจตังเบดิตโบูมโยฮิคือวิญยูชนรู้ได้เฉพาะ ต, ตนเท่านั้นเองใครประพฤติปฏิบัติอย่างไรคนนั้นก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงทีนี้ประการต่อไปก็คือทีนามิธะทีนามิทะก็รับสั่งโครงสร้างเดียวกันว่าหนึ่งให้ดูจิตในเวลานั้นนั้นว่ามีทีนะ อยู่ภายในจิตมีธีนามิธะอยู่ภายในจิตหรือไม่ย่อมรู้ชัดว่าธีนามิธามีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อธีนามิธะไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าธีนามิธาไม่ไม่มีอยู่ภายในจิตของเราณภายในจิตของเราอันหนึ่งธีนามิทย่อมที่ยังไม่เกิด จะเกิดขึ้นโดยประการใดยอมรู้ชัดโดยประการนั้นทีน้ามิทะที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้โดยประการใดก็อ ย, ยอมรู้ชัดโดยประการนั้นทีน้ามิทะที่ละไปแล้วจะไม่เกิดขึ้นมาอีกโดยประการใดก็รู้ชัดโดยประการนั้นโครงสร้างเดียวกันหมายความว่า ทีน้นไม่ท่าในเป็นกิเลสใหญ่นะฮะละยากอย่างในในกรณีเราไหวาพระสวดมนต์เรานั่งสมาธิอะไรเนี่ยก็อดจะสับประงกไม่ได้ตามไประยะหนึ่งอา้าวกระสับประงกเสแล้วตั้งสติไว้ไม่อยู่เพราะฉะนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความพยายามแล้วก็มีอุปกรณ์ในการแก้ไขเยอะ่อางที่กานแสดงไว้ในปะปัญญสูตทนีนี่ก็มีอยู่หลายข้อเหมือนกันที่นั่นิธาแต่ยังไม่เกิดก็คือไม่เกิดหรือว่าเกิดก็รู้ว่าเกิดแต่ว่าก่อนที่จะเกิดเนี่ยมันทำยังไงจึงได้เกิด ก็รู้ไปอีกจังหวะหนึ่งเห็นว่าทีนัมิทาที่นิวรณ์ที่ยังไม่เกิดนั้นที่มันได้เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเพราะเจตสวบูปสมา ค, คือจิตมันไม่นิ่งจิตมันไม่ยอมเป็นลีนจิตตะคือจิตมันหดถูจิตมันซึมเศร้าจิตมันไม่กล้าหารจิตมันไม่กระจับกระเจงจิตมันซึม อาการมือลอยเลื่อนลอยต่างๆเนี่ยทีนีการจะละได้เด็ดขาดละทีนามิถะได้ทั้งทีนาทั้งมิถะได้เนี่ยนะะระดับองค์ฌานเนี่ยไม่ใช่ละได้เด็ดขาดเพียงแต่ว่าสงบความรู้สึก ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของขีนามิธาให้มันเท่าเบาบางจางคลายลงไปการจะล่าได้เด็ดขาดจริงๆโอ้ตรองห น, นุนพระอราหันต์เลยมันชนล่าไม่ได้เรื่องใหญ่แล้วข้อต่อไปก็คืออุตจะกุกุจะ ก, ก็เหมือนกันกระสง ทีนี้เรามามองดูว่าปปัญญสูตรนีท่านว่าอย่างไงรพวกนี้อย่าลืมว่าเป็นพวกโมหะนะฮะเป็นพวกอาการของโมหะด้วยกันคอยสังเกตการบริโภคอาหารไม่มากเกินไปถ้าบริโภคอาหารมากแล้วมันซึมอะมันง่วง เพราะว่าทีน้มิทะาในส่วนใหญ่มันมาจากเมาอาหารเขาเรียกว่าพัตตะสมถะคือเมาเมาเม า, เมาพัดเมาอาหารแล้วก็อยาไปอยู่อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งนานเกินไปนั่งนานก็ไม่ดีนอนนานก็ไม่ดีเดินยืนนานก็ไม่ดีเดินนานก็ไม่ดีแม้แต่การจเจริญกรรมฐานก็เถอ่อิริยาบบทก็ต้องสลับต้องเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะตามโอกาสที่มันควรจะเปลี่ยนแปลงไป ให้อิริยาบถมันคล่องแคล่วสม่ำเสมอแล้วก็มนานักสิการถึงอโลกสัญญาคือพยายามทำเหมือนกนเราอยู่ท่ามกลางแสงสว่างมองไปที่แสงสว่างมองไปที่ช่องที่ทำให้แสงสว่างเห็นแสงสว่างมองไปที่ดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์อะไรต่างๆพยายามที่จให้ตื่นน่ะก็แน่นอนนะ มันก็สู้กันไปสู้กันมาหลับบ้างตื่นบ้างสับประงกกันไปบ้างแต่เป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้แล้วก็ท้ายดีอยู่ในที่แจ้งมีความว่างเปล่ามีความโล่งอย่างที่พระสมัยโบราณที่ท่านอยู่ในป่าในเขาเนี่ยอย่างในปัจจุบันเราจะเห็นว่าพระที่ท่านอยู่ในป่าเนี่ยวัดวัดท่านใหญ่อะแล้วจำนวนพระมันน้อย ต่างรูปต่างก็แยกย้ายกันไปอยู่ในกุติคนตัวเองเดินกรรมาฐานก็ต่างคนต่างเดินไม่ได้ใส่ใจอะไรกันใส่ใจเรื่องจิตใจของตัวเองเป็นประการสำคัญทำให้โอกาสที่จะได้สัมผัสผลพิเศษพิเศษมันเกิดขึ้นได้งา่ายทีนี้พอเรามาอยู่วัดในเมืองหลวงวัด ที่ค่อนข้างแออัดจัดเยียดนะแม้แต่วัดววเนี่ยถ้าเทียบแล้วก็ถือว่าแออัเพราะอะไรเพราะว่าสภาพแวดล้อมบรรยากาศแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือฝุ่นมันมีเยอะแม้แต่เสียงในการบรรยายออกอากาศทางสถานีวิทยุเราจะเห็นว่า เสียงมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการแม้จะพยายามเอายาอมเข้ามาช่วยอะไรต่อะไรก็ตามอะเสียงมันไม่เป็นไปเพราะว่าอากาศข้างนอกไม่ช่วยพอมาอ่านในห้องแอร์ข้าวปรากฏว่าห้องแอร์ก็ไม่ใช่สนุกนักนะฮะไปอ่านเสียงอยู่ข้างนอกมีฝุ่นยอยู่เต็มเนี่ยถือฝุ่นเนี่ยก็เข้ามาได้เท่านั้นนหะ นี่ก็เป็นสิ่งที่มีปัญหาอยู่ประการหนึ่งเหมือนกันประการต่อไปก็คือเลือกคนดีเป็นมิตรเป็นสหายก็ผ่าสมาคมกับคนดีมีความรักใคร่กันมีความอนุเคราะห์กันมีความสงเคราะห์กันร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน แล้วก็ต่อยคําที่นํามากล่าวนี่ไอ้มันเกิดความกระตือรือร้อนเกิดความอ้ากล้าหางเกิดความพอใจยินดีฟังแล้วสบายหูสบายใจตื่นเต้นคอยจะติดตามเรื่องราวต่างๆอย่างหลักที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ว่ากาเลนะธรรมสากัะชาคือการสนทนาธรรมตามการหรือกาเลนะธรรมสวงังการฟังธรรมตามกาเนี่ยมันเป็นอุดมมงคล ตกลงว่าระดับทีนาะมิทาก็าเหมือนกันคือต้องอยู่บทจะละเขาได้จริงๆนะละได้จริงๆละโดยไม่เกิดขึ้นมาอีกมันเป็นระดับพระอระหันต์แต่ว่าเราไปถึงตรงนั้นอย่างอีกเท่าไรเราก็ไม่รู้แหละก็พยายามที่จะเอาชนะในตอนต้นๆเนี่ยชะนะความง่งงวงง่วเหงาเหาานอนซึ่งซึ่ง ห ง, งายเงาหดถูเคริบเคริ้มจืดชื่อชาเย็นเหนื่อยนายท้อถอยสิงไปด้วยวิธีการต่างๆประการต่อไปก็ตั้งปัญหาในอุทจักุกุจักอุทจักนี่มันเป็นกิเลสสองตัวอุทจัแปลว่าโอาฟุงฟุงสัน้นกุกุจักแปลว่ารำคาญหงุดหงิด ปุองซา่นั้นเป็นอาการของกิเลสประเภทโมหะรำคาญหงุดหงิดเป็นอาการของกิเลสประเภทโทสะก็แสดงว่าตทษสะมันก็ล้ำเส้นมาอยู่ในระดับระดับลึกนะฮะระดับลึกแต่ว่าตอนสังโยชน์สิบเนี่ยมันมีแต่อุทจจะไม่มีกุกุจจะ เพราะว่าเขาดับไปตั้งแต่ในช่วงห้าข้อแรกคือในการมราค่าปัิฆฏเนี่ยเขาก็ดับไปแต่ว่าตัวกุกุจจะซึ่งเป็นโมหะนี่มันยังไม่ดับก็ทรงสอนในทรรนองเดียวกันว่าเมื่ออุทตจักุกุจจะมีอยู่นะภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุทตจักกุกุจจะ จะมีอยู่หน้าภายในจิตของเรานี่ก็นั่งพิจารณาดูจิตของเราเอาอะไรมาดูเอาสติเอาสัมมัญญะเอาความเพียรมาระลึกรู้เพ่งดูดูจิตในขณะนั้นๆดูสิว่าอุทจัจกุกุจัะเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าไม่เกิดขึ้นก็คือไม่เกิดขึ้น ทีนี้ถ้าอุทจักกุกุจนิวรณเกิดขึ้นภายในจิตของเราก็รู้เห็นดั่ความเป็นจริงว่าอุทจกุกุจนิวรณ์เกิดขึ้นภายในจิตของเรานั่นก็ช่วงที่สามช่วงที่สี่ก็ดูว่าอุทจักกุกุจนิวรณที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็ให้รู้โดยประกานนั้น การเกิดขึ้นของอุทตักุกุจานิวรณ์ตัวหนึ่งก็เกิดขึ้นมาจากจิตไม่นิ่งจิตไม่สงบดังกล่าประการที่สองนี้เกิดขึ้นมาจากความหมงุดหงิดนำขาญความไม่พอใจไม่ยินดี ต่ออะไรก็ได้ ต, ต่อคนก็ได้ต่อส์ก็ได้ต่อสิ่งก็ได้ต่อลมฟ้าอากาศก็ได้คือมันก็เกิดขึ้นมาได้แล้วกันทั้งนั้นประการต่อไปก็คือคาากุฏิจักกุฏินิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เราทําให้ดับไปเนี่ยจะทําไปโดยวิธีใด วิธีแรกก็คือเจตโศวุปัสสมะคือพยายามทําจิตให้สงบอยู่กับอารมณ์เจตว่าภาวนาวัพุทโธอย่างเงี้ยจะยืนเดินนั่งนอนอะไรก็ตามก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่ยรวมมุว่าข้อไหนก็ได้นะไม่ได้ว่ากันการภาวนาอะไรก็ตามโดยวิธีใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับแผงนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่ง การปฏิบัการภาวนานั้นก็ชื่อว่าเป็นการถูกต้องจากนั้นการละของอุทจากจากุจจักประการแรกนั้นก็คือละได้ชั่วคร่าวสงบได้ชั่วคร่าวพอเราเลิกมันก็กำเริมขึ้นมาได้อีก มันก็ต้องภาวนาต่อไปประการที่สองเนี่ยมันลาได้โดยการเกิดเขาเรียกวิจารวิจารคือความไม่ใช่สุขนะฮะสุขคือความสบายกายสบายใจจิตมันก็จะมีฟุง้งจิตมันก็จะมีฟุง้ง แล้วระดับที่สามเนี่ยระดับที่สามพวกนี้ก็เป็นฌานไปแล้วเป็นฌานแต่ฌานก็สงบชั่วคราวอย่างนั่นแหละไม่ใช่สงบจริงสงบจริงก็อย่างที่บอกว่านี้มันเป็นเรื่องพระระดับพระอราหันต์คือตัวอุทจระนี่ระดับพระอราหันต์ในขณะเดียวกันท่านก็แสดงเอาไว้ในปปัญญสุธนี ถึงการละอุทธะนี่คือหนึ่งต้องศึกษาสะดับตักฟังมากพนี้มันเป็นอาการของโมหะอย่างที่บอกถ้าเราไม่มั่นใจในเรื่องนั้นๆเรายังมีความเคลือบแครงสงสัยความคิดก็จะฟุง้งซ่านชัดสายไปในที่ต่างๆก็แสดงว่าสงบไม่ได้พวกนั้นก็ต้อง พยายามที่จะสะับสับฟังให้มากอ่านให้มากฟังให้มากคิดให้มากสายายให้มากแล้วก็สนทนากันให้มากมีอะไรที่เราข้องใจสงสัยเนี่ยอย่าปล่อยมันค้างขาใจเอาไว้ก็พยายามซักถามสอบถามท่านผู้รู้ท่านผู้ที่เข้าใจในเรื่องเหล่านั้น ถ้าเรายังมีอะไรคาใจที่เราสงสัยเราค้องใจเราติดใจอยู่เนี่ยโอกาสที่จิตใจจะสงบเนี่ยมันจะมันจะเกิดขึ้นได้ยากประการต่อไปก็คือเป็นผู้ชำนาญในเรื่องธรรมในเรื่องวินยัยทางธรรมและทางวินัยเนี่ย พอเราเกินนึกขึ้นมาเราก็ทะลุปูโป ร, ปรงงไงแล้ ว, จวใจนวาใจเราจะมีฟุง้งใจสงบได้แหละพอคิดปรับขึ้นมาเอา้าคิดได้ไปทะลุปูโป ร, ปปรงมองเห็นดีไปที่มาเหตุผลต่างๆในการที่ทรงบัญญัติสิกขาบทตอนนั้นเรียกว่าจนรอบรู้ชำนาญในพระวินยัยแล้วก็เข้าหาท่านผู้ใหญ่ การผู้ใหญ่โดยคุณความดีนะฮะโดยวิทยาฐานะโดยความรู้ความสามารถที่สามารถชี้แจงบอกกล่าวตอบคำข้องใจสงสัยต่างๆของเราได้แล้วก็คบหาสมาคมกับมิตรที่ดีคุยเรื่องที่นำมาคุยกันเนี่ยควรจะเป็นเรื่องที่คุยแล้วสบายใจ นีก็สบายหูสบายใจไม่ทำให้เกิดความหงุดหงิดความรำคาญในการสนทนาปราศัยกันนี่ก็เป็นเรื่องของอุทจักกุกุจกัแต่ว่าเหมือนกันนะฮะอุทจัะเนี่ยคนจะละได้เด็ดขาดจริงๆต้องเป็นพระอระหันต์ไม่ใช่พระอรหันต์ธรรมดานะฮะคือ ะยาบุคคลสามประเภทแรกเนี่ยละเด็ดขาดยังไม่ได้ถ้าได้เด็ดขาดจะต้องเป็นพระหันเท่านั้นประการต่อไปวิจิกิจฉาก็ทรงตั้งหลักเหมือนเดิมให้ดูว่าในขณะนั้นนั้นเนี่ยวิจิกิจฉานิวรก็ได้ข้อหนึ่งบังเกิดขึ้นแก่เราหรือไม่ถ้าไม่เกิดก็รู้ว่าไม่เกิดถ้าเกิดก็รู้ว่าเกิด ทีนี่ถ้ารู้ว่าเกิดแล้วก็ดูที่ว่าเมื่อก่อนมันไม่เกิดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเกิดมันเกิดได้อย่างไรแล้วก็จะสงบระงับได้อย่างไรเมื่อสงบระงับไปแล้วจะไม่กำเริบขึ้นมาอีกได้โดยวิธีใดทำยังไงจริงจะละได้เด็ดขาดวิจิการนั้นมันเกิดจาก อโยนิโสมนติการคือระบบการคิดเนี่ยไม่มีอุบายวิธีที่แยบคายคิดไม่ค่อยสมเหตุสมผลในแต่ละเรื่องนะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่ข้อข้องใจถกเถียงของเด็กๆในหมู่เด็กๆเนี่ยเกิดปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวปัญหาเกี่ยวกับพ่อแม่ปัญหาบุปการีกัตัญญูกตวเวทีนี่โอ้เป็นปัญหาที่เจอทุกคนดูแห่งเลย เพราะไปเธอคิดว่าเป็นภารกิจของพ่อแม่ที่จะต้องดูแลเลี้ยงดูประคบประงมเธออย่างดีในลักษณะที่ยุ่งให้ไต่ไรแม้ตอมท่าว่าพ่อแม่ไม่สามารถทําได้ก็แสดงว่าพ่อแม่ไม่ดีคนที่ไปให้แกกินแกอยู่อย่างสะดวกสบายก็ดีกว่าเคยตั้งปัญหาถามหลายครั้ง ไม่ใช่ว่าเก้าครั้งสิบครั้งนะีหลายสิบครั้งเพราะว่าปัญหามันออกมาแนวเดียวกัน้าตั้งคําถามว่าให้หนูลองคิดดูว่าถ้าเราเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยเพราะพ่อแม่เราเป็นคนใช่หรือไม่แล้วพ่อแม่ที่เป็นคนในโลกเนี้คือคนไหน คนที่เลี้ยงดูเราหรือคนที่ให้กำเนิดเรามาก็สองคือถ้าพ่อแม่เราไม่เป็นคนนี่ยเราจะเกิดเป็นคนได้หรือไม่เพราะนั้นพ่อแม่ให้ความเป็นคนแก่เราแล้วก็โอกาสจะเลี้ยงดูนี่มันไม่ใช่ข้อยุติหรอกเพราะคนเรามันแก่เจบตายอะ พ่อแม่ก็แก่เจ็บตายปู่ย่าตายายก็แก่เจ็บตายลุงป้าหน้าก็แก่เจ็บตายคนจะยิ่งใหญ่ขนาดพระพุทธเจ้าแล้วนะพรับชนีที่วงประสูติพระองค์มาได้แค่เจ็ดวันเดียเองก็ที่วงคตเสรแล้วคือไม่ได้นานอะไรอะ่ะแล้วพระองค์ก็ไป็ลูกกัมพลามา ตกพระนานางเลี้ยงดูมาอย่างลูกพระโอรสของพระองค์เองแล้วในที่สุดพระประชนพรรษาสามสิบยี่สิบเก้าพระองค์ก็ได้ตอกพนุษนี่ก็แสดงให้เห็นว่าคนกําพลานี่แม้แต่พระพุทธเจา้าก็กําพลาแล้วพระมาหากษระสานของเราทั้งหลายพระองค์ที่กําพลาพระสังฆราชทั้งหลายเนี่ยที่ผิวกําพลาเยอะ มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอะ่ะแต่ว่าก่อนที่ท่านจะตายจากไปนี่ท่านได้ให้ชีวิตที่เป็นมนุษย์แกเรามาถ้าไม่มีท่านมันก็ไม่มีเราแต่การที่มีเราในเพราะมีท่านทีนี้ถ้าหากว่าท่านตายไปก่อนที่เราจะถือกำเนิดมาเนี่ยเราก็ไม่มี ไม่มีคนอื่นถึงมีมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแกเรานี่เป็นเรื่องทีตง่ต้องคิดต้องคิดใ้รอบครอบรอบด้านมีเหตุมีผลในการใครควรในการพินิจพิจารณาตอ น, นหลักเขาเรียกว่าโยนิสูมานสิการคือทำไว้ในใจโดยบายวิธีที่แยบคายสมเหตุสมผลเหมาะสมถูกต้องแกกรณีนั้น น, น นี่ก็เป็นหลักการของก็ เ, เรียกว่านิวรณาปภ ะ, ะนิวรณาปภ ะ, ะคือหมวดที่ว่าด้วยนิบท์ต้องฟังแต่ละเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี